กลับ ข, ขอการจันไปสารวิชาโลเพืเป็นประธานทรงนะครพระเทลานุเตละเพื่อนจะทำมิกติกับรูตุเตนจันรินทร์พ่อยังแม่ชีอุบาสก์เบสกาที่มารวมตัวกันตอน บ, บัดจ้าในวันนี้รตุตเตนเช้าเนี่ยเช้า ที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเราก็ท่านจำไปสารท่านได้เปิดโอกาสให้พระอีกห้ายรูปได้พูดได้แสดงธรรมเราก็จะมาพูดถึงว่าการที่เรามารวมตัวกันในคราวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะศึกษา ธรรมขององค์สมเด็จสมัสมสมาสัมพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมธรรมชาติเพื่อได้รู้จักตนเองรู้จักใช้กายใช้ใจทำหน้าที่ทำการทำงานให้เกิดประโยชน์ตปนประโยชน์ตั้น เพือที่จะอยู่ในโลกนี้ได้โดยที่ปลอดภัยภัยอันีเยอะมากกายของเราก็มีโรคภัยปวดหัวตัวร้อนไม่สบายเจ็บปวดเมื่อยต่างๆอยู่กัหายจิตใจของเราก็มีภัยวัตสงสารเป็นภัยร้ายที่อยู่ในตัวเราแต่ว่า องค์สมเด็จสมมาวุารผู้ที่ค้นพบบอกต่อๆอย่างนั่งสองพันกว่าปีก็ยังมีร่องรอยที่ชัดได้ว่าว่าการที่เราดูผ่านการเคลื่อนการไหวความรู้สึกตัวแต่ละขนณะนั่งเดินยืนนอนเราให่น้ า, าการอีกมากมายที่งปรากฏขึ้นมาเป็นอาการของ แล้วราก็ของจิตใจด้วยเพราะความคิดมันเป็นปรากฏการณ์หากเราไม่ได้มาสนใจตัวเรามันก็จะไม่ได้มาเห็นปรถุชนคนส่วนใหญ่สนใ จ, นใจออกไปนอกตัวรูปรสกลิ่นเสียงเป็นมัตถูการมคุณต่างๆแล้วก็หลงไหลเปิดเปรืนท้สัก็คือเป็นสุขเป็นทุกข์ ปัดนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ปัดปากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคิดการปรุงการแต่งมันก็จะมีคําว่าความรู้สึกตัวที่เราจะต้องมาฝึกมาหัดจะต้องสติปัฏฐานมันว่องไวสติมีแล้วทุกคนแต่ว่ามันเป็นสติแบบสัญชาตยาน ที่พุ่งออกทยานออกไปการที่เรากลับมาปฏิบัติกลับมาสู่ธรรมชาติความรู้สึกตัวที่มงังกรปลากฏเตะาั่นนะดเดยกว่าพัสสะการเคลื่อนการไหวเดินโยนกลมนั่งสร้างจังหวะเป็นแบบเป็นรูปแบบที่เป็นการฝึกการหัดจิต ให้มันสามารถรับรู้รับทราบข้อมูลที่ลังกรากดที่กายที่ใจของเราตรงๆเป็นการศึกษาแบบลัดทุกครั้งที่กลับมามันก็คือการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวเครื่องแบบไม่เกี่ยวกับสถานที่ไม่เกี่ยวกับวิบวใดๆทั้งนั้นมันเกี่ยวกับความรู้สึกตัวเวลาทุกก็ไม่ได้เลือกชุดการเราจะมา ออกจากทุกต้องเลือกชุดมันก็ไม่ใช่ทุกไม่ได้เลือกสถานที่ที่บ้านก็ทุกได้ที่ทำงานก็ทุกได้การจมาติวัดมันก็ต้องใช้สถานที่ใช้เวลาซึงก็ไม่ทันทันการเราก็ต้องทันควันรู้สึกทันทีที่มีปฏิยาาการใดๆเกิดขึ้นมา เป็นลนักษณของความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นทั้งกุศลทั้งอกุศลมันเกิดขึ้นมาที่กายที่ใจของเราใจก็อาศัยอยู่ที่กายเพราะฉะนั้นจะดูให้เห็นธรรมะธรรมชาติกระดุกที่กายนี่แหละโ mm hmm. ดยเฉทั้งมีสติตื่นขึ้นมา mm hmm. เห็นกายตามความเป็นจริง mm hmm. เห็นกายดุลก้อนธาตุ ไม่มีการกระทบสัมผัสนะเห็นกายที่มันกายตัวในนะที่มันกา ย, ยวิญญาณนะมีติรู้รู้แล้วตื่นนะนะเป็นการตื่นทุกขนะ์กายเขาลำเป็นก้อนทุกขนะ์มีกายมันก็เหมือนกับมีคุกขังเราคุกนะนั่งก็เมื่อยเดินก็เมื่อยนอนก็เมื่อยนะมันมีทุกข์อยู่ตลอดเว ล, เวลาเวลาแสดงออกมานะ ทีนี้คนไม่เคยนะรู้จักมันก็จะต้องหลงเข้าไปในการเหล่านั้ น, นก็ไม่เคยลืมตาในฝนะึกสติจนะทั้งมันว่งไวเป็นไวพิปฏิบานก็จะต้องถูกหลงเข้าไปเป็นกับดักเพื่อเรามาฝึกให้เห็นความจริงขนอะงกายกันมันมีกายในกายอย่างเงี้ยเราจะยึดเป็นเราก็ไปได้ แต่ถ้าไม่รวมก็ต้องยึดนั่นแหละแต่ ถ, ถ้าเราปรึกสติสึกตามรู้สึกตัวไปเรื่อยก็จเนว่าเออมันเกิดความเป็นเองขึ้นมาแลว้วดูกายเห็นจิตเนะี่ยตัวนี้สำคัญจิตคิดเก่งอาการของจิตเนี่คิดอยู่ตลอดเวลาเวลาเลยเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าวินาทีต่อไปเราจะคิดเรื่องอะไรเพียงแค่ว่าเออมันคิดขึ้นมาเรวก็รู้เท่ารู้ทัน เห็นว่าเออมันเป็นเพียงแค่อาการของจิตมันไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงแค่อาการจิตเดิมแท้มก็ปกตินี่มันเป็นปกติอยู่ตลอดเว ล, เวลาแต่ว่าความคิดมันเป็นอาการของจิตคิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำ ม, มื่อเกิดขึ้นมาเป็นกรรมสามโนกรรมวจีกรรมแลกายกรรมแล้วก็แตกออกไว้อีก คิดแล้วรอบคิดล้วกอดคิดล้หลงคิดล้รักคิดล้ชังคิดแล้วโศกคิดล้ทุกข์พอเราดูกายเห็นจิตเก็เห็นอาการของจิตด้วยตรงนี้แหละมันก็จึงตื่นตาตื่นใจมันก็เปิดของที่คว้างหงายของที่ปิดถ้าเกิดประโยชน์ต่อต่อตัวตัวเองอย่างมหาศาลก็ประโยชน์ขึ้นมาเราเคยตัวกับความคิดจนกินไม่ได้จนนอนได้รับ มากลายเป็นคิดปั๊บรู้ปุ๊บนะกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิด่เนงะี้ยมาถูกรู้ถูกเห็นโนะดยที่เราก็ไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรนะเป็นการเรามาทำความรู้สึกตัวนะหน้าที่ของสติกลไกของสติก็ทำงานเองตามกฎของธรรมชาติทำงานเองตามกฎของกรรมฐานนะีนะ่นะคนันเคตรับของความไม่ทุกเนะี่ยหนึ่งก็คือรู้สึกตัวให้เป็น พอเรารู้สึกตัวเป็นมันมีสติเกิดขึ้นมาเป็นสติปัฏฐานมันเป็นสัมมาสติก็ ม, มีสัมมาส ม, มาธิเกิดขึ้นมาจริงๆพอเรา ล, ลึกรู้ความรู้สึกตัวต่อเนื่องเชื่อมโยงกันใหม่ๆมันก็ไม่รู้เชื่อมโยงหรอกมันก็รู้สักพปงบหนึ่งก็เผลอหลงคิดไปอดีตบ้างอนาคตบ้างเราก็กลับมาอีก ใหม่ๆมันจะเป็นอารมณ์สมถะต้องคุมคมความคิดไว้นะฝึกมันหัดมันจนมันเชื่องนั่นแหละจนเริ่มประยศพอมันเริ่มเชื่องขึ้นมาตอนนี้มันเหมือนกับวิปัสสนายานน้อยๆมันเกิดขึ้นไหมเริ่มเห็นความจริงวิปัสสนาคือลักษณะการเห็นอาการต่างๆไปในตัวเราถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับทัศนาจรนั่นแหละทัศนาจรเราเห็นวัตถุรูปธรรมออกไปนอกตัว ตาเนื้อกระทบกับรูปวัตถุต่างๆแต่ว่าวิปัสสนาญาณนั้นเป็นตาในตาสติตาปัญญามันก็จะไม่เห็นตัวเราเองรูปธรรมนามธรรมมันเห็ น, นก็ตื่นตาตื่นใจนะเคยหลงก็เป็นกลายเป็นการหลุดพ้นทันทีอานาจของสติมัเป็นอย่างนั้นความเป็นปกติมันก็เด่นขึ้นมาความไม่ปกติเป็นอกุศลธรรม เป็นบาปเป็นความมืดความโง่น ะ, ะรู้สึกว่าตกต่ำลงไปตกต่ำลงไปเราก็สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาเหมือนก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จึงให้เห็นความจริงในตัวเรากันโดยการมองผ่านความรู้สึกที่การเคลื่อนการไหวแต่แลนนะขณะอาจจะมีอารมณ์ปฏิบัติเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะผู้ใหม่เลยว่าเนี่ยหลังแล้วเจ็บแล้วปวดแล้วเมื่อยนะมันเกิดขึ้นแน่นอน นาทีสิบนาทีเนี่ยมันก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยมันมีอาการแสดงออกมาให้เราได้ทอ้อถอยเราก็ไม่ทอ้อไม่ถอยเราก็เดินจนมันเกิดตะบะัอินรีแก่ก้าขึ้นมามีความอดทนอดกั้นขันติเกิดขึ้นมาเป็นธรรมเต็มจะช่วยเป็นเครื่องเผากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในมนตินส น, นดาน นิสัยวันนี้ใส่ทีมแสดงปรากฏออกมาโดยที่เราไม่ค่อยได้เห็นมันเราก็ได้รู้จักโอ้นี่เราหรือนี่นจิตที่ไม่เคยเห็นมันคิดเก่งมากนั่งก็คิดเดินก็คิดบัดนี้นเราจะได้เห็นว่ามันคิดมากเก่งไปอดีตเป็นสุขเป็นทุกข์บางทีก็ไปในานรกเป็นสุขเป็นทุกข์บางทีก็ เ, เบื่ออยากมาปฏิบัติมีศรัทธาเกิดขึ้นไหมมาจนถึงวัดอากาศก็สบายที่อยู่ก็สบาย อาหารการขบฉันเสนาชนะสบายยสบายหมดนะแต่พอเข้ากรรมฐานมจะเบื่ออย่างยิ่งอยากมาก็อยากกลับตัวเดิมเราก็จึงได้ไมาเห็นตัวเรากันไม่ยากเกินไปนักไม่เหลือวิสัยที่เราจะทําได้การที่เรารู้ทันความคิดรู้ บ, บ่อยๆรู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกรู้ทันความคิดรู้ บ, บ่อยๆจนั่งมันเกิดความจานาน กลายเป็นสภาวะของสติเตือนดูตาในมันเริ่มหูเริ่มตาขึ้นมาตื่นแล้วก็ดูดูแลเห็นมันเกิดอาการมันก็คือมันไม่เข้าไปเป็นมันสักต่อว่าสักตว่าเราเคลื่อนมือเนี่ยมันกลายเป็นวางมือขึ้นมาเราเดินจงกรมเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออมันเห็นการเคลื่อนการไหวของกายใหม่ๆไม่ไหมมเห็นหน้อยๆก่อนเป็นจุดกระทบสัมผสัสเล็กๆก่อนหยับหยับ แต่พอทำไปทาไปหลายวันก็เนะีนะ่ยไม่เปิดโอกาสให้กับเรื่องอื่นเราเห็นรันละเอียดลงไปละเอียดลงไปนะทั่วสารบางกายเนีย น, นะชนกะทั่งมันเห็นว่าเออมันมีอาการนเกิดขึ้นมาก็คือลักษณะของจิตต่อสังขารนะการปรุงแต่งในจิตมันเกิดขึ้นมาเป็นความคิดถลงเผลอ้าไปในความคิด ก็จะเกิดกระบวนการของตัวหลงทำงานทันทีปรุงแต่งไปเรื่อยเลยแต่พอเรามีความรู้สึกตัวการเคลื่อนกันไหปับ๊บมันก็จะกลับมาทันทีอย่างนี้นะเพราะนั้นลักษณะขององค์ประกอบของความเพียรที่นักปฏิบัติจะต้องมีก็คือหนึ่งลักษณะของความมีศรัทธาเชื่อจริงๆ เช่ว่ากรร ม, มาฐานเนี่ยมันพาเราไปถึงมรรคผลนิพพานจริงๆกรรมคือการกระทำนะนฐานก็คือที่ตั้งมันไม่ใช่กรรมกรวิศกรรมสถาปัตยาการรมมันหาสตางแต่ว่ากรร ม, มาฐานฝึกสติมันเป็นอย่างนี้เนะชื่อจริงๆนะทำดีกรรมดีมันก็ดีกรรมชั่วมันก็ชั่วเชื่อจริงๆงนะสองก็คือไม่มีโรคมากนักนะโรคภัยแค่เจ็บ เาะว่าบางทีตัวก็เวนน้ํากล้าเกินไปมันทาให้เรามีความสึกท้อพอปฏิบัติก็ปวดหัวตัวร้อนไม่สบายมันก็จะนึกถึงความสะดวกสบายที่เราเคยมีประสบการณ์ตรงมาปฏิบัติมันดูยุ่งยุ่งยากๆอาหารกรมัดมือจกเสนาสนะก็ไม่เหมือนกับอยู่บ้านอยู่ช่องบางทีมันก็ท้อถอยได้ เทวปุตตมานความสะดวกสบายกันลากกลับไปคันธมานก็เล่นงานความเจ็บความปวดความเมื่อยรูปอาการของเรามันเป็นเจ้ากรรมในเวรที่ไม่ค่อยชวนให้เราได้ปฏิบัตินักมันชอบความสะดวกสบายในการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินอื่นๆอีกมากมายเหลือเกินเราก็รู้จักอ๋อมันขวางกั้นเราไมให้เราได้ปฏิบัติตาม ข้อที่สามก็คือลักษณะของคนที่ไม่องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความเพียรได้เดียก็คือเจียมเนเจมตัวไม่โอ้อวดเย่อหยิ่งจองหองลำพองตะลนงต่างๆไม่มีมายาสาไถตรงนี้สำคัญเรียกว่าพร้อมที่จะเป็นผู้ที่รับรู้เรียนรู้ฝึกหัดแล้วก็ปฏิบัติ ตัวให้ตรงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาฯเจ้าหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ชี้แนะด้วยความปรารถนาดีอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็น้อมเข้ามาใส่ตนกันข้อที่สี่ก็คือผู้ที่ปราลบความเพียรมาจับหลักได้ปั๊บอย่างเช่นที่นี้อัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ก็คือให้เราพักเจริญสติแบบแนวเคลื่อนไหว แนวเคลื่อนไหวยังอยู่ในหมดของสัมผัสปั๊ตั้งแต่ตื่นัะหลับเลยนะกันที่เราตื่นขึ้นมานะเราก็รู้ว่าเออตัวเราเองสัมผัสที่นอนอยู่นี่เป็นต้นกันที่เราลุกขึ้นมาล่างหน้าแปลงฟันเราก็สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวนะก็ฝึกสติให้มันเจริญว่องไวละเอยียดลงละเอยียดลงนะเร็วขึ้นเร็วขึ้นทันควันแต่เราก็สังเกตดนะูมันไม่ใช่รูปแบบอย่างเดียว มันเป็นนอกรูปแบบด้วยนะแต่แต่ถ้าจะเป็นในรูปแบบก็คือแบบกายญานุปัสสนาสิปัฏฐานนั่นนะการดูกายจะต้องสติมันตื่นขึ้นมาจริงๆซะก่อนนะต่อมาก็คือบางทีเราเดินมาทําวัดเสด็จมณนะ์เราก็จับความรู้สึกตัวทําวัดเสด็จมณ์ต่างๆนะบางทีมันมีความคิดเกิดขึ้นมามันจอจอด jam j a ขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้ค่านะสนใจใส่ใจจนกระทั่งมันเผลอลงไปนาน เรากลับมากำหนดความรู้สึกตัวกำหนดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทำไมต้องกำหนดเพราะว่าถ้าไม่กำหนดก็กำหนัดนะเกิดขึ้นมาแทนมันมีนิสัยชอบเผลอหลงหทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมก็จะเผลอหลงแบบนั้นครานี้เราก็สร้างนิสัยใหม่ที่จะกลับมารู้สึกตัวจนกระทั่งมันเกิดความเป็นปกติขึ้นมาจริงๆก่อนนะเพราะฉะนั้นองค์แห่งความเพียนดูกายก็ต้องสม่ำเสมอนะดูรายเช้ายันเ ม, มืดเช้ายันเมืดมาละดูกาย มันก็จะไม่ได้เห็นกายอย่างเดียวดูกายก็ต้องเห็นจิตดวจิต ก, ก็ต้องเห็นความคิดนั่นแหละยังไงก็ต้องเห็นสำหรับคนที่กลับมารู้รู้ตัวจริงๆเจริจรสติปัฏฐานจริงๆหนีไม่พ้นต่อมาก็ตสุดท้าย้อที่5ก็คือองค์แห่งความเพียรของเราที่เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาจริงๆก็คือการเกิดปัญญาขึ้นมาเบื้องต้น เห็นตรงตามความเป็นจริงนะแล้วก็แทงทะลุเห็นการเกิดดับของกิเลสตรงนี้กิเลสที่เป็นเหตุแห่งทุกขนะ์เนี่ยก็จะต้องมองหาจนกระทั่งมันเห็นนะมองมาที่ตัวเองก็ต้องเห็นนะนะกายของเราใจของเราใจนี่นเป็นความว่างมันก็จิตเดิมแท้ที่ว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนแต่ความคิดนะตัวนี้เป็นลักณนะที่มันสร้างเหตุ เราห้ามันไม่ได้แต่ว่าเรารู้ทันมันได้คิดปั๊บรู้ปุ๊บเนี่ยได้คิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นแต่ว่าใหม่ๆมันก็จะไม่รู้ครบทุกเรื่องคิดร้อยครั้งจะรู้สักห้าครั้งสิบครั้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวพัฒนาเบื้องต้นแล้วหลังจากนั้นมันก็จะคิดรู้ทันไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นบางทีก็คิดเกือบจบละถึงรู้ทันแต่พอฝึกไปฝึกไปฝึกไปเนะี่ย มันเหมือนก็ว่ามันรู้ทันไว้ขึ้นกลางๆก็รู้ทันแล้วบางทีเริ่มต้นปั๊บรู้ปุ๊บเลยเริ่มต้นปั๊บรู้ปุ๊บเลยนีมันก็สนุกตรงนี้แหละเราเห็นเลยความคิดคือทําให้เราทุกข์ความคิดที่เคยทําให้เราทุกข์มันถูกรู้เท่ารู้ทันก็โล่งโปร่งเบามากขึ้นปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกบางทีก็โอ้มันหายไปมันก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรเพียงแค่ปรับความคิดเท่านั้นเอง ออกมาจากความคิดเห็นความคิดรู้ทันความคิดหัวมกันโล่งๆเบาๆไปเงี้ยมันก็อจจัศจรรย์ใจตรงนี้แหลนะอันนี้ไม่ได้พูดเองนะก็พูดตามองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้นะกับโพธิราชกุมารนะที่ปาเพสกาวันนะในแควนมนะคุซึ่งท่านตรัสไว้กับ โปรที่ราชกุมารเป็นโพธที่ราชกุมารสูตรท่านตรัสไว้ว่าอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติเราก็น้อมเอานะการที่เราได้รู้ได้เห็นนะได้ยินได้ฟังนะได้อ่านาต่างๆนะเอามาเป็นส่วนประกอบกับการที่เรามาอยู่วัดป่าสุขโตแบนะบนี้เราก็มีท่านอาจารย์ไพศาลวิส า, าโลนมามจอมศาลอยู่พวกเราด้วยนะเราก็มีพระ ซึ่งท่านร่วมจำพรรษาอยู่พวกเราอาจจะอยู่มานานแล้วหลายพรรษ า, าตั้งใจฝึกหัดกันจริงๆอาจารย์วัดใจอาจารย์นอตอาจาร ย, ารย์สุรินต่างๆอาจารย์สมใจท่านก็จะได้แสดงคําพูดหรือเรียกว่าแสดงธรรมปาลบรธรรมตัวเราฟังแต่วันนี้เป็นวันแรกที่อาตมาได้มีโอกาสได้พูดเนื่องจากได้จัดเวรนเอาไวะ้วันจันเป็นวันของอาตมา ท่าอาจารย์ไพศาลท่านก็เปิดโอกาสซึ่งทุกๆปีเราก็ไม่ได้มานั่งพูดกันอย่างนี้หรอกนะพราะเราต้องการได้ยินได้ฟังคนะำพูดนะที่ท่านอาจารย์ไพศาลท่านได้พูดเอาไว้นะอัตมาหรือผมนี่เคยนะศึกษาคำเขียนนะของท่านอาจารย์ไพศาลตรงสมัยปี2526นะก็ประทับใจนะ การคู่กับพระอีกรูปหนึ่งก็คือพระประ ช, ชาซึ่งตอนหลังเนี่ยมันทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็ได้พบปะกับหลวงพ่อคำเขียนได้พบปะกับอาจารย์สมใจแล้วก็มารับรู้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมโดยการเคลื่อนมือ14จังหวะแล้วพอเราได้ปฏิบัติลงไปเนี่ยปรากฏว่าการปฏิบัตินะ มันก็จะเป็นคำตอบเป็นคำตอบให้กับตัวเราจนหายสงสัยว่าอ๋ออะไรคือความรู้สึกตัวอะไรคือกายคือใจคือรูปธารมนามธารมตนี้มันหายสงสัยอะไรคือความคิดที่หลวงพูเทเตียนท่านพูดว่าถ้าเรารู้ทันความคิดเห็นความคิดตรงนั้นมันจะได้ประตูของนิพพานเป็นต้นทางของการเดินทางสู่การพ้นทุกตรงนี้ แต่ เ, เราก็จึงชวนกันนะเอาคําพูดนะมาปฏิบัติกันนะทั้งวันเราก็โอกาสนี้ข้าบรรษาล้วเดือนเป็นไต่มาสแรกเราก็เริ่มต้นด้วยการน้อมนําเอาคําพูดนะการได้ยินได้ฟังจับประเด็นมากระทำนะํำแต่เพราะว่าการนั่งการเดินการยืนการนอนในรูปแบบนอกรูปแบบนะเก็บตกทั้งหมดทั้งวันนะอันนี้จะเกิดอันนี้ส่งยิ่งใหญ่ขึ้นมาจริงๆริ ท้าสุดก็คือเป็นลักษณะของเกิดประโยชน์นตนอย่างยิ่งไม่ได้หมายถึงว่าเรียกว่าเห็นแก่ตัวคําว่าเห็นแก่ตัวกับประโยชน์ตนนี่มันต่างกันตรงที่ว่าเห็นแก่ตัวนี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่แล้วทุกอย่างต้องการหนึ่งสองสามสี่อยู่แล้วก็ถ้าไหลไม่พอนี้จะเปียกแช่เน่าใ น, นะจะเกิดความร้อนขึ้นมาแล้วท้ายสุดก็คือ อยู่ยากในโลกใบนี้อันนี้เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวก็เหง า, ว, าว้าวนะหรือว่าปางทีก็สับสนะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะไม่อิ่มในจิตในใจของเราไม่หนักแน่นไม่มั่นคงโลเลนะแต่ประโยชน์ตนก็หมายถึงว่าเราอยู่คนเดียวนะมีความสุขอยู่แล้วได้ฝึกตนเห็นตัวเองนะ หือาการไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นอย่างไรนะการเข้ากรรมฐานจะเป็นคําตอบนะเพราะดายเราก็จึงนะใช้โอกาสนี้โนะดยเพราะที่มาเจนะ็ดปันมีเวลาน้อยนะต่างจากพระพิสุหนะรือว่าแม่ชีหรือนะักปฏิบัติที่อยู่ในวัดที่คิดว่านะสามเดือนนี้เราก็จะตั้งใจมาจำพรรษากันนะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะจะน้อมนําเอาคําสั่งสอนนะ เอามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ท้ายสุดเป็นประโยชน์ท่านเกิดสันติสุขสันติภาพต่อไปก็เรียกว่าเมื่อมีประโยชน์ตนแล้วมันก็อดไม่ได้หรอกที่จะแสดงออกทางกายวาจาใจให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดให้เกิดกําไรชีวิตที่สุดก่อนที่เราจะเหมือนกับว่าหมดลมหายใจลาลับจากโลกนี้ไปต่อไปอย่างเงี้ยแล้วท้ายสุดก็คืายเป็นว่า มันเกิดสภาวะของจิตใจที่โล่งโปร่งเบาแล้วก็สงบเย็นเป็นประโยชน์ขึ้นมานีตรงนี้ก็ขอให้เราได้มันก็มีโอกาสที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสทุกๆขณะของการใช้สถานที่พื้นที่วัดป่าสุโกโตทุกๆขณะของการทีนะ่วินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่ ง, ว, งวินาทีหนึ่งผ่านไปนะให้เกิด คุณค่าของชีวิตของเรานะนะเพราะนั้นคิดว่าตอนนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะตีห้าตรงนะสิ่งใดที่พูดไปเกิดความบกพร่องบ้างนะก็ขอขอภัยหรือว่าบางทีก็อาจารย์ขอให้อาจารย์ไพศารนะซึ่งเป็นพหุสูตรนะหรือว่า ผตมาก็ยกให้เป็นนะครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็ขอให้มีโอกาสได้เติมเต็มนะในโอกาสในวาระต่อไปนะก็ขอให้ท้ายสุดนีนะ้พวกเราที่มาร่วมกันทำความดีแล้วก็ปฏิบัติ ร, รมก็ขอให้เป็นเหตุเป็นว่าปัจจัยข้ามจุนหนุนส่งนะให้พวกราทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสได้เจริญสติจนกทั่งเข้าถึงความเป็นปกติของจิตนะ จะตั้งมีมากขึ้นมากขึ้นสมควรแก่การวิบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ